ความสุขจริงนะเธอความสุขอะไรอ่ะบูเกก็ความสุขอะไรล่ะเธอทำเพลงแบบเนี้ยจะให้บอกตรงๆรงไหมล่ะว่าเธอกําลังมีความสุขกับความรักจริงหรือเปล่าล่ะบ้านะก็แล้วมันจริงไหมล่ะจริงเห็นไหมเห็นได้เห็นไหมฉันก็นึกอยู่แล้วเชียไม่อย่างนั้นอ่ะเธอควจะไม่แหกปากร้องเพลงชาวเขาแบบนี้แล้วตายละ เธอนี่จริ ง, รงๆเลยนะอะไรอะไรอะไรเข า, าที่ตาพูดะสิมันทำให้ฉันเนี่ยชอบตายได้ง่ายนะจ๊ะทําไมล่ะก็มันเรื่องจริงนี่นาจริงที่ไหนก็เล่าฉันไม่ได้แหกปากร้องเพลงชาวเขาสักหน่อยฉันแค่ฮัมเพลงให้พอได้ยินคนเดียวเท่านั้นเองร้องให้ตัวเองได้ยินคนเดียวอย่างนั้นเหรจร๊ะก็ใช่นะสิแต่ทําไมทําไมฉันถึงได้เย็นชัดแจ๋วอย่างนี้ล่ะสีล้างก็เธอเดินมันแน บ, บหูใกล้ป่าฉันแบบนี้ ไม่ไดีนก็หูหนวกแล้วล่ะบ้าฉันไม่ได้หูหนวกสักหน่อย <c oughs> นี่บอกมานะศีลาบอกอะไรล่ะตกลงเธอรักใครกันแน่อ <c oughs> แล้วเธอคิดว่าฉันรักใครเล่าไม่รู้สิฉันเดาใจเธอไม่ถูกเหมือนกันน่ะบ้าน่ะถ้าพูดอย่างกับว่าเนี่ยฉันเป็นผู้หญิงมากรักหลายใจอย่างนั้นแหละอะก็ดเรื่องไม่จริงอะ่ะไม่จริงเธอใส่ใครฉันเปล่านะ ฉันไม่ได้ใส่ใครเธอนะศีลาแน่ใจเหรอแน่ใจที่สุดแล้วบอกได้หรือยังละ่ะเธอรักใครมูซอรหรือไงจะบ้าเหรอเธอใจคอเนี่ยใจฉันรักมูซอรจริงๆเหรอแล้วมูซอร์เขาไม่ดีตรงไหนอะพ่อเขารวยออกอย่างนั้นสาวชาวเขาอย่างเราเราต่างก็ฝันที่จะได้ไปนั่งในหัวใจของมูซอกันทั้งนั้นแหละ แล้วก็ได้เป็นสซัร์พคนเดียวของซัมกอด้วยจ้างให้ก็ไม่เอาเด็ดขาดทำไมอ่ะเธอไม่รู้หรือไงว่าพ่อของมูซอเนี่ยเขาไม่ยาชีพอะไรอะไรเหรอค้ายาเสพติดไงสีลา อะไรออกมาน่ะรู้ตัวหรือเปล่าอรู้สิทําไมจะไม่รู้ละ่ะใครๆก็รู้กันทั้งนั้นว่าพ่อของมูซอเนี่ยค่ายาเสพติดและที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือเป็นโจรปล้นคนที่ผ่านไปผ่านมาตามถนนใหญ่ด้วยโหเธอไม่เห็นกับตาก็อย่าไปพูดนะศีลาคนก็พูดกันให้แซ่แล้วเธอว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าละ่ะถ้าไม่มีมูนหมามันจะขี้เหรอบูเกยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าพูดแบบนี้จนกว่าเราจะพิสูจน์ให้เห็นกับตาตัวเองว่า พ่อของมูซอเขาเป็นอย่างนั้น <F. ทำไมจะต้องเสียเวลาไปพิสูจน์ด้วยเล้วอ้าวเพื่อเธอจะได้ตัดสินใจที่ถูกต้องไงเล่าตัดสินใจอะไรก็ตัดสินใจว่าจะยอมให้หมูซอเสียผีหรือเปล่านะสิจ๊ะบูเกะเดี๋พูดอีกนะบูเกอะอะทำไมอ่ะฉันยังไม่ได้คิดเรื่องความรักกับใครทั้งนั้นอ้าวถ้าอย่างนั้นที่เธอเริงร่าขนาดนี้เธอเป็นอะไรก็มีความรักนะสิรักอะไรล่ะ นี่เมื่อเธอปฏิเสธเรื่องรักฉันชู้สาวแล้วนี่นาโถเอ้ยฉันก็รักพ่อรักทุกคนในหมู่บ้านของเราที่สำคัญก็คือว่าฉันรักพระเจ้าผู้ซึ่งทรงมีแต่ให้พวกเราเพื่อความสุขของพวกเราชาวเขายังไงล่ะศ <c oughs> ีลานี่เธอเนี่ยลื่นไหลไปเรื่อยชนะแมจ่จริงๆเลยนะ <c oughs> เธอเนี่ย <c oughs> รับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment ความอัสนกงคราวทุกคนอาจเลิกรไปความงามตามใครไม่ใช่เธอเธอลองมองความเป็นเธอที่ส่อนไว้มันทำให้เธอยิ่งสวยงามมันทำให้ฉันยิ่งรักเธอ Just now, I saw the light. มองเห็ได้และรับรู้ได้ด้วาคือของวล้ำค่ายิ่งใหญ่มองเห็นได้เสมอะสวยงามที่ใจและสรับันมันคือความอศจ์เหือ oh. oh. ม, มันคือความอาศตร์จันที่พบเธอ คนมากมายอยู่ในความทุกข์ใจทงทงที่ใจของเขารกกรักอเป็นความสวยงามที่อคนมีฝันแล้ววันหนึ่งกลับพัง คือของพวันจะฟ้าหรือคือคำสาคืออยาดนชำเย็นหรือร้อนเป็นไฟอยากจะรู้ว่าคืออะไรนั่นคือความรักที่มา เช่นไรยังคงไม่รู้ไม่เคยทุกใจนั่นคือความรักใช่ไหมที่ส่นซ่อนทุกอย่างคือความรักใช่ไหมที่ลบเลือนทุกสิ่งและทำให้ใจ ยังไม่ล ฟหรือคือคำสาคิดยาดฝนช่ำเย็นห ร, รือร้อนเป็นไฟอยากจะรู้ว่าคืออะไร ที่ไหลทนร้องอา้ความรักแท้จริงเป็นเช่นไรเรื่องคงไม่รู้มิเคยกูใจนั่นคือความรักใช่ไหมที่สร้งสางทุกอย่างคือความรักใช่ไหม และทำให้ใจตรงร้าวราทำลายหมดทุกทุกอย่างไม่เหลือเลยทำลายหมดทุกทุกอย่าง i n d o ฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation e n t e r เท i n m e n t สีลาจ้าสีลา มีอะไรเหรอจ้าพี่ซูเวยยุ่งนะพี่ซูเวเออเรื่องอะไรมาว่ามันยุ่งอ่ะก็ไม่จริงแล้วเชืรู้หรอกนาว่าพี่ซูเวคิดยังไงกับศรีลานี่อย่าไปยุ่งอะไรด้วยอ้าวก็จะเป็นเพื่อนกับศรีลาเขานี่นาแน่ใจเหรอคิดเงินจริงเหรอพี่ซูเวยพูดให้ดีๆนะก็จริงหรือเปล่าเธอคิดเงินจริงหรือเปล่าจริงแต่ฉันไม่เคยเชื่อสักเท่าไหร่หรอกก็ใช่สิในสายตาของพี่ซูเวย มีคนดีอยู่แค่คนเดียวในหมู่บ้านชากวกเรียงของเราเท่านั้นเองนี่เธอพูดไรอ่ะก็เรื่องจริงไงไม่จริงนะทุกคนจะเป็นชากวกเหรี่ยงอย่างเราอ่ะดีหมดนั่นแหละจริงเหรอจริงสิเธอลืมไปแล้วหรือไงลืมอะไรไม่ทราบพระเจ้าสอนให้เราเป็นคนดีรักใคร่กลมเกลียวกันมีอะไรให้แบ่งปันกันช่วยเหลือครึ่งกันและกันลืมแล้วหรือไงฉันไม่มีวันลืมหรอกใ น, นเมื่อไม่ลืมแล้วเธอมหาว่าฉันน่ะไม่รักใครได้ยังไง ฉันไม่ได้ว่าอย่างนั้นแต่ฉันบอกว่ามีศีลาคนเดียวเท่านั้นที่พี่ให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษหรือพี่สุเวจะเถียงว่าไม่จริงล่ะฉันก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรนี่นานี่บูกเก้พี่สุเวกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันน่ะไม่รู้เรื่องเลยจริงเหรอว่าเธอไม่รู้เรื่องนะ่ะศีลาก็ไม่รู้เรื่องนะสิเอาเหอะไม่รู้ก็ดีละแสดงว่าพี่สูเวหลงผิดไปไดเองคนเดียว อทีเนี้ยจะเปลี่ยนใจได้หรื อ, อยังล่ะพี่ทำไมต้องเปลี่ยนใจอะ่ะไม่จําเป็นแหมจริงๆริงพี่สุเวเนี่ยนี่ฟังนะบูเกะฉันไม่ได้คิดอะไรกับใครไปกรณีพิเศษเราเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันนับถือศาสนาคริสต์เหมือนกันรักและศรัทธานในพระเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องรักกันดีต่อ ก, กันคิดดีต่อกันทําดีต่อกันแล้วหมู่บ้านของเราจะมีแตความผาสุกถูกต้องไหมล่ะฮ้อถูกต้องแล้วจา้า แล้วไงครับพี่ไม่แล้วไงก็แค่พูดให้เขใจค่ะอ้าวสีลาพี่สุเวจะไปไหนหรือจ๊ะเออว่าจะเอาใบชาเนี่ยกลับไปให้พ่อไปส่งที่โรงงานก่อนนะจ๊ะให้พี่ช่วยไหมพี่สุเวจะช่วยเอาใบชาไปขายหรือไงจ๊ะจ้าดีไหมจ๊ะแหมขอบคุณมากเลยนะพี่สุเวไม่เป็นไรหรอจ้าพี่เต็มใจช่วยศีลาอยู่แล้วขอบคุณจ้าแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกฉันจะเอากลับไปให้พ่อไปส่งเอง แต่เดี๋ยวพี่ก็จะไปอยู่แล้วนี่นาหรือว่าไม่ไว้ใจพี่ล่ะกลัวพี่จะงุ๊บยิบเหรอฮึอุ๊ยฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะพี่สุเวไม่คิดก็ดีแล้วตกลงพี่ปส่งให้นะเออเอาอย่างนั้นก็ได้จ้ะอ่ะนี่จ้ะพี่สุเวใบชาของฉันอือมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็ยังมีอยู่ที่ศาลาอีกหนึ่งถุงปุ๋ยนะโอ้โหได้เยอะนะวันเนี้ยก็มาเก็บแต่เช้านี่จ้ะศีลาขยันอยู่แล้วไม่เหมือนใครบางคนแล้ว ขี้เกียจสันหลังยาวทำไมถึงใครอะฮะก็ใครล่ะที่มาเก็บใบาชาอีตอนตะวันขึ้นโด่งสองก้นแล้วอู้หูอะไรก็ไมร้เชะามาเก็บใบาชาตอนใช้สายจะเหลืออะไรล่ะยอดใบาชาน้ำค้างก็เหือดหายไปละแล้วใบาชาจะหอมได้ยังไงล่ะจะ๊ะนี่บุเกตเธอไม่รู้อะไรอย่าพูดมากเลยนะอะทาไมฉันจะไม่รู้ล่ะอ๋ฉันเบื่อจะพูดกับเธอแล้วนะพี่ซูเ น้ไดยงไงทำไมจะไม่ได้ไม่จริงเ่ะไม่จริงอะ่งอะนี่ไม่อยากพูดด้วยละเอาไบชาไปส่งโรงงานก่อนดีกว่า